ที่เราจะเดินเข้าเมืองนอกจากบรรยากาศจะเปลี่ยนไปจากสี่วันที่แล้วยังเป็นระยะทางที่ไกลเรื่ไกลที่สุดของการเดินธรรมยาคตราปีนี้ที่จริงว่า ก, ก็เท่ากับเมื่อวันซื่อนะนะประมาณยี่สิบสามกิโลแต่ก็ถือว่าไกลมากไกลที่สุดธรรมยาคตราที่ผ่านมาก็มีครั้งเดียวนะที่ เดินไกลประมาณนี้ในวันเดียวคือเมื่อปีที่แล้วอันนี้ไม่นับรุ่นทางงอกนะอันนั้นงอกมาตัวที็ไม่ตั้งใจปี2สองึ้าเจ็ดแต่ถ้าไกลเนี่ยนะยาวจริงๆแล้วเนี่ยก็นับว่าสั้นแต่รียะภางที่สั้นเม่เทกับธรรมเนีราที่อื่นๆนะธรรมเนียราที่ประเทศอินเดียซึ่งแต่ทุกปี เดินวันนึก็ประมาณ3 0 4สสี่สิบกิโลเช้าหมึดก็ต้องตื่นแล้วเดินตั้งแต่เช้ามืดไปได้ทำเวลาแล้วก็ได้ระยะทางที่จริงในขนาดนี้เนี่ยนะก็มีหลายคนที่ตั้งใจเดินเระยะทางไกลๆวันละสามสิกิโลเป็นอย่างน้อยก็เดิน เพื่อต่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเขารบพระบรมศพบางคนก็เดินจากสุราษฎร์บางคนก็เดินจากเพชร บ, บุรีบางคนก็เดินจากเชิยงใหม่ที่ยซ้ำาันละสามสิบกิโลนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฉนั้นพวกเราเดินยี่สิบกว่ากิโลเนี่ยก็ถือว่ายังยังสบายมากนะเม่อเทียบกหลายคนที่เขา เคยเดินและกำลังเดินอยู่ในเวลานี้แน่นอนน่เดินวันนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยร้อนเหนื่อยเมื่ อ, ปอยปวดก็จะเดินเย็นเดินเราตลอดระยะทางแต่ว่าก็ขอให้มันเป็นความลําบากทางกายนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมเรี่องไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะก็คืออย่าซ้าเติบตัวเองความทุกข์ความยากลําบากเนี่ยในเมื่อเราต้องเจอมันแล้วนะในเมื่อเราจะต้องเจอในเมื่อเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันพ้นก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เราทําได้และควรทําคือ ก็คืออย่าซ้ำเติมตัวเองบ่อยครั้งเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเองนะด้วยการวางใจผิดก็กลายเป็นว่าแทนที่จะทุกข์กายก็เลยทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าระาวาังใจถูกเนี่ยนอกจากจะความทุกข์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะให้ความทุกข์กายที่มีก็ จ, จะลดลงไปได้ด้วยต้องเตือนใจตัวเองเสมอนะว่า เมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราอย่าซ้นเติมตัวเองให้มันทุกข์มากไปกว่า น, นั้น้นที่ประเทศทิเบตนะมีพระหลายรูปเนี่ยที่ถูกทรมานระหว่างที่ถูกจับกลุ่มคุมขังนะโดยคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ถูก ทรมานบางทีถูกทรมาตนต่อเนื่องเป็นเวลานานนับสิบปียังมีท่านหนึ่งนะชื่อท่านเกดุลเป็นพระรามที่ชาวบ้านกรุรนับถือแต่ท่านก็ไม่ยอมใอยตามรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยที่จีนคอมมิวนิสต์เนี่ย ติดกอทิ่เด็กเมื่อห้สิกว่าปีที่แล้ว <c oughs> แล้ไม่คอยตามก็เลยถูกจับ ก, กลุ่มคุมขังแล้วก็ถูกพอมาหลายครั้งตอนหลังลูกเคือถูกจับ ก, กลุ่มมา2ี่สบปีได้ลุมขังอย่นั้นยี่สิบปีตอนนลังก็ท่านก็ไอิสระแล้วท่าน ก, านกา็วิภัยมาอยู่อินเดีย ทนารละมั่ก็ได้โอกาสพบท่านเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ทนายละมากเคยถามท่านว่านี่ยตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยซึ่นงนานรับ20ปีเนี่ยมันมีความกลัวบ้างไหมท่านก็พอมองกลัวแล้วก็บอกว่าแต่ที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวที่จะโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่าน ถูกทรมานยังไม่เป็นไรเนละแต่ที่ท่านกลัวมากที่สุก็คือกลัวที่จะโรกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นประเดนเื้อคือว่าถ้าโรกรธเกลียดแล้วเนี่ยนะก็ จ, จะเผลอทําร้ายหรืออยากจะทําร้ายด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างซึ่งมันก็เป็นการผิดศีล สำหรับท่านแล้วในการปิดสีเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะถูกคนอื่นทำร้ายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะมันแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นการทำบาตรท่านก็พยายามนะรักษาสีของตัวเองเ น, นะไม่ให้บกพร่องแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากก็ตามแต่อีกคนหนึ่งเนี่ย นะคิดว่าคงเป็นเพราะท่านมองว่าถ้าท่านโกรธเกลดเขาเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์ก็จะเพิ่มปูในจิตใจของท่านมากเท่านั้นคนที่ทรมานท่านก็ทําร้ายท่านได้แต่กายแต่ถ้าท่านโกรธเกลีย์เมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับว่าสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจและความทุกข์ใจเนี่ยมัน ดั้แย่กว่าความทุกกายมากเรื่ที่ท่านโกรธท่านเกลียดทานคนที่ทรมานท่านก็แสดงก็หมายความท่านกาลังสร้างหาทุกข์ใส่ใจของท่านก็คือการซ้ําเติมตัวเ่เองคนที่ทำร้ายตัวเองไม่พอตัวเองก็ยังทําร้ายตนเองด้วยการปล่อยให้ความโกรธความเกลียดนะมันเผาลนเกลียดแทงใจก็เรียกว่าทำเป็นผู้ที่มีปัญญานะ ก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ <c oughs> ก็จะไม่ยอมให้ทำร้ายตัวเองหรือซ้ำตัวเองซ้าเติมตัวเองอย่างเด็ดขาดนี่เมื่อเรามาเดินธรรมยาการนี้ก็ให้เตือนใจเสมอนะถึงแม้ว่าแดดมันจะเผาหัวเผากายเราแม้ว่าทางที่ยาวไกลในทํทำให้เรารู้สึกเหนื่อย บางครั้งก็หิวบางครั้งก็กระหายแต่ว่านั่นคือเหตุปัจจัยภายนอกที่กระทำกับเราแต่ว่าเราจะไม่ทาร้ายตัวเองไม่ซ้าเติมตัวเองอย่างเด็ดขาดด้วยการรักษาใจของเราให้ดีไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมาครอลํำใจจะทำได้อย่างไรนะอันนี้ก็า ก็ไดพูดไปแล้วนะอย่างแรกที่เราควรจะทําคือว่ายอมรับสนะิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้การไปผักใสหรือว่าปฏิเสธมันนี่นะก็มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเมื่อแล้ก็ตามที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตมันจะยิ้นจิตมันจะกยายามผักใส จิตมันจะรังเกียบมันจะอยากต่อสู้แต่เมื่อสิ่งที่สิ่งนั้นยังคงอยู่มันไม่หายไปไหนเช่นร้อยเหนื่อยร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดเนี่ยจิตม็ยิ่งทุกข์นะจิตมันทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะร้อนนะแต่เพราะจิตมันดิน้นไม่วดิ้นเพื่อเอาหรือดิ้นเพื่อห น, นีเพื่อถอยก็ทุกแล้วแต่แต่เพียงแค่เรายอมรับมันยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ยอมรับทุกอย่างที่เป็นธรรมย่าตาลองเตือนใจแบบนี้ยอมรับทุกอย่างที่เป็นธรรมยาตราไม่มว่าแดดร้อนทางที่กระด้าหงหินกรวดที่คมทิ่มแทงเท้าช่องน้ำที่ไม่พออาหารที่ไม่ถูกปากผู้คนทั้งหน้าที่บางครั้งก็เดินเร็วอะไรตออะไรที่เอ่อมันไม่ตรงกับความคาดการของเรา เราควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหวังของเราไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการยอมรับไม่ผักใสแต่ถ้ า, าทำได้ก็นนะั่นคือยิ้มรับนะยิ้มรับเสฉลยนะไม่ใช่แค่ยอมรับลองยิ้มนิดหน่อยนะเวลามันร้อนเวลามันเหนื่อยเนี่ยเองแค่ยิ้มที่มุมปากนี่มันช่วยทําให้ความรู้สึกดีขึ้นนะแล้วกกลความวทุกข์ก็จะลดลงเลยความปวดก็จะบรรเทาก็พบว่าเนี่ย คนเราเนี่ยเวลามีความปวดเนะี่ยเจนคนไข้ที่อผ่านการผ่าตัดมาเนี่ยเพียงแค่ยิ้มเนี่ ย, น, ยนะมันช่วยลดความเจ็บความปวดได้ไม่น้อยสามสิบสีสิบเอร์เซนตความปวดก็จะทุเราเพียงแค่เรายิ้มเวลายิ้มเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยนะมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ธรรมดาคนาเราเวลาผ่อนคลายมีความสุขเราก็ยิ้มแต่แล้วก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าแม้กระขั่งเวลาที่เราไม่รู้สึกผ่อนคลายแต่พอเรายิ้มแล้วเนี่ยอารมณ์ก็จะดีขึ้นกลายก็มีผลต่อใจนะเวลาเราดั้งกินเสาเนี่ยนะความมันจะผ่อนคลายแล้วก็จะอาจจะเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการจะตั้งจิต คำจึงให้ตื่นในการทําสมาธิเนี่ย จ, จึงครูบาอาจารย์จึงแนะนำให้กางเสานะกางฟ้านะเพราะว่ามันจะสบายแลว้วผ่อนคลายกายมันก็มีผลต่อใจนะไม่ใช่ใจมีผลต่อกายเวลาเราง่วงเราก็อยากจะนอนอยากจะเองกายและเมื่อเราเองกายทั้งที่ทั้งที่ไม่อยากจะนอนมันก็ดันอยากจะนอนขึ้นมาได้ในที่สุดเวลาสบายแล้วก็ยิ้ม แล้วเมื่อเรายิ้มมันก็ทําให้เราสบายสบายที่ใจแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็พบ ว, ว่ามันไม่ใช่เรื่องของใจเท่านั้นนะการยิ้มมันมีผลต่อสมองกล้ามเนื้อมันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้ที่ปากเวลาเรายิ้มมันจะไปกระตุ้นสมองบางส่วนที่ทําให้มีสารบางตัวหลั่งออกมาเรามีมรองสันสุนเตอร์สารสื่อประสาทที่ทำให้ ความเจ็บปวดทุเราลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเวลาเราเจอความทุกข์เจอความยากลาบากไม่ว่ารอดยากลําบากหรือทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจลองฝืนยิ้มสักหน่อยแล้วมันจะเป็นาการฝืนยิ้มแล้วแต่มันช่วยทําให้ดีขึ้นตางดุภาพของการยิ้มนี่มันมันช่วยทําให้คนเราอายุยืนได้มากเลยฉะนั้นเป็นเรื่องระยะยาวแต่ระยะสั้คือความปวดมันทุเลาลง อาจจะเป็นเพราะว่าพอใจเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยไอ้โทสะความหนุดหิดที่มันไปซ้ำเติมความเจ็บปวดให้มากขึ้นมันก็จะคลี่คลายไปอย่าลืมว่าความปวดความเอาความโกรธความเกลียดนยความหนุดหิดเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็ทําให้ปวดมากขึ้นแล้วคนที่ปวดปวดเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยไม่ค่อยรู้นะนะว่าไอ้ความปวดส่วนหนึ่งเนี่ยนะมันเกิดจาก ใจที่ไม่ยอมรับใจที่โกรธใจที่กลั ว, ลวอย่าก็พบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยนะพอโดนเข็มฉีดยาจิ้มเขไปเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยความปวดจะเพิ่มขึ้นเป็นสามท่าของคนที่ไม่กลัวแสดงว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันทําให้ความปวดเพิ่มขึ้นนะสองส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นความปวดกายเพราเข็มแทงแต่พอเรายิ้มเนี่ยนะมันก็ช่วยขับไล่ความโกรธความกลัว ออารมณ์อกุศลจนควางหยินออกไปจากใจแ ล, แล้วลองฝึกยิ้มดูนะหลอดที่เราแต่งไปยิ้มนะยิ้มน้อยๆที่มุมฝากก็ได้หรือถ้าเอ่อบางบางที่มไม่ค่อยไหวก็อาจยิ้มที่ใจนะแต่อย่าลืมนะว่ากายมีสวนตอใจนะเอ่อ ล, ลองฝืนยิ้มดูบ้างแล้วเราก็จะรู้สึกดีือแล้วจะทําให้การยิ้ ม, มยิ้มได้ง่ายขึ้นยิ้มรับนะความร้อนนะเหนืย เมื่อยปวดนะลุกขึ้นมาไม่ได้ลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ยิ้มไปยิ้มไว้ล้วต่อไปเวลาเราเจอความทุกข์เจอความลําบากทางกายเจอประสัคในการทํางานนะเราก็จะยินได้แล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ที่สุดประการต่อมาคือว่าพยายามนะพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันความหงุดหงิดความไม่พอใจส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ ใจเราก็อยู่อนาคตเอาแต่นึกว่าเมื่อไรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงสักทีโนะดยมาก็ห้าสิบนาทีแล้วยังไม่หยุดสักทียังไม่พักสัก ท, กทีใจที่มันนึกถึงแต่ติดหมายปลายทางในที่สุดก็จะปนในที่สุดก็จะตีโพดีพายในทสุดที่สุดก็จะรู้สึกหด ห, ด, หดขัดเคืองใจที่ดูสิ่งที่เกิดขึ้น นะทุกครั้งที่ใจเราเนี่ยมันไม่อยู่ปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตได้รู้ทันนะเวลาใจมันเผลอไปแล้วไปข้างหน้าแล้วอย่างวันนี้ใจเราจะเผลอไปอย่างหุดพักเพลแล้วเหลืเแื่อสักพักก่อใจก็นึกว่ า, มวามเมื่อไหร่จะได้อตีกองหยุดพักกลังทางสักทนะีคิดแบบนี้เมื่อไหรเนี่ยนะมันก็จะเกคยพอเงินกี่ไม่พอใจเพราะว่ายังไม่หยุดยังไม่พักยังต้องเดินต่อไป มันจะยอมรับความจริงไม่ได้มันจะยอมรสภาพที่เป็นอยู่ไม่ได้แล้วก็เกิดความ ห, มหนุนหนีเกิดโท้อท้ ข, ขึ้นมานะดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ราู้ว่าจุดหม่ที่ปลายเท้านะจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ปลายทางจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าให้ปลายเท้าเราขยับก็พอแล้วสนใจกต่เพียงแค่ว่าเดินแต่ละก้าวให้มันไปข้างหน้าจําได้ไหมที่ เราถึงรู้สึกวิธีที่เราไปนั่เปียงเขาแต่เวลาเราปีนเขาเนี่ยไม่จะเป็นเขาสูงแค่ไหนเนี่ยแใจ ก, ก็จะไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาแต่ก็จะอยู่ที่ขื่ น, นินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวให้เตือนใจไปจุดหมายของเราอยู่ที่ปลายเท้าทําให้ปลายเท้ามันขยับทีละก้าวทีละก้าวและถ้าเดินไม่หยุดมันถึงได้ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงจิตกลับมา อยกการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ทำก็แนได้ต้องมีสติและสติเนี่ยนะจะช่วยให้เราไม่เป็นการรู้เท่าทันความคิดที่มันไปโน่แล้วข้างหน้าแล้วจังทาให้รู้ทันอารมณ์รู้ทันความหงุดหงิดนะความขัดเคืองใจความหรือว่าเสียงบน่นโอดครวนมันมาดูใจเราบ้างนะอย่าพิ่งไปอยมัวแต่มองทางข้างหน้าอย่างเดียว เราเดินไปข้างหน้าก็จริงนะแต่ก็อย่าลืมกลับมาดูใจของเราเดินไปข้างหน้าให้กลับมาดูใจสม่ำเสมอกลับมาเห็นความคิดที่มันใจที่กำลังคิดในอนาคตจุดหมายปลายทางข้างหน้าใจที่กาลังบน่นโวยวาทีโวยทายเพอยงเท่านี้ก็ช่วยดีเยอะนะอย่าไปมัวส่งจิตออกนอกไปไป ไปกลดาไปบนกลดาจินต่างๆนอกตัวบางทีก็ไปบ่นกลดาตรงที่วัฒนํารมมันร้อนทำไมไม่มีไม่มากดฟังสักทีบางทีก็ไปกลดาทางที่มันไม่มีต้นไม้อยู่ริมทางเลย mm hmm. เวลาเราบนกลดาอะไรก็ตามทิศมันจะส่งออกนอกเราจะลืมดูใจเราจะลืมเห็นว่าใจนะมันกําลังเสียความปกติไอลไร กลับมาดูใจสม่ำเสมอและสิ่งที่ช่วยให้เรากลับมาดูใจได้คือส ต, ติระหว่างที่ใจไม่บนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพาก็ให้มารู้สึกตัวอยู่การเดินระหวงที่เดินก็รู้ว่ากำลังกางําลังเดินอันนี้อการสร้างความรู้สึกตัวในขณ ะ, ะที่เดินดูในขณะทําแล้วก็ตามมันช่วยได้เยอะในเดินนะ สังเกตไหมเลวลารใจลอยนี่เราจะไม่รู้สึกเลยว่ากําลังเดิมได้เพราะไม่รู้สึกตัวนั่นแหละทําให้ใจเราจงเข้าไปในในความทุกในความเจ็บความปวดมันเผลอทั้งที่การที่จิตปรับตึงอยู่ความเต็บความปวดหรือบริเวณที่มันปวดเมื่อยตัวนี้นก็แบบทาให้ความทุกข์มันทวีขึ้นแต่ว่าเราก็มักจะเผลอทําอย่างนั้นทุกทีเพราะไม่รู้สติไม่มีความรู้สึกตัว แ้าที่บนกลดาจนกมต้องเป็นการสร้างเติมตัวเองเนี่ยเป็นการสร้าง ต, ตัวให้กเดินก็คือก็พราะว่าไม่รู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวปุ้มมันกลับมาเลยนะมันกลับใจมันกลับมาเป็นปกติร่หว่างที่เดินก็ให้รู้สึกตัวนะรู้สึกว่าเท้ากำลังเดินตัวกำลังขยเ้ยื่นไปยับดูความรู้สึกตัวไว้ ซึ่ต้องมาศัยสติเพื่อช่วยปกครองความรู้สึกตัวให้มีคือในใช้ทุกเวลาที่เราเดินเนี่ยมันเป็นการเจริญสติไปด้วยนะเป็นการสร้างความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้ายังทําได้ไม่ดีนักก็ให้มีให้ฝึกให้พยายามให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อวานให้จิตจดจ่ออยู่กับท่าที่กําลังก้าวไปข้างหน้า หรือว่าจดจ่ออยู่การนับอย่าให้การนับมันขาดตอนหรือเมื่อไหร่นะว่าบางทีกล้าพี่เท่าไหร่แล้วเอากลับมาเริ่มต้นที่นับหนึ่งใหม่ใจที่มันจดจ่ออยู่การนับเนี่ยมันก็ทําให้รือปวดนะทําให้จิตเนี่ยมันได้ไปจดจ่ออยู่กับเท้าที่กําลังปวดขาที่กําลังเมือ่อยทําให้จิตเนี่ยมันไปหยุดบน่นดุบวยวายจนะสวดมนต์ด้วยก็ได้นะแต่สวดมน ตามที่เราถนัดอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยลดการซ้ําเติมตัวเองหรือว่าจะมีสมาธิอยู่การกับเสียงกรองก็ได้ทต่ที่เราตีกรองเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อเพื่ออะไรไม่ใช่ตัวป่าประกาศว่าเรากำลังมาอันนั้นมันเป็นวัตถุประสงค์รองแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันช่วยทําให้การเดินเนี่ยใจสงบมากขึ้นวันไหนถ้า กองแตกนะมันก็มีแล้วกองแตกนะบางปีกองแตกเป็นสองใบาสามใบพอไม่มีเสียงกลองนี่หลายคนจะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงใช้การเดินนี่มันกลายเป็นว่าจิตวา้าวุ่นมากแต่พอมีเสียงกลองแนละ้วเออมันก็เป็นที่กําหนดให้จิตไปจดจอ่อจิตก็เป็นสมาธิพอมีสมาธิแล้วนะใช้ความรู้สึกดีก็เกิดขึ้นความทุกทางกายก็ บรรเทาเบาๆไปเพราะว่าสมาธิกับสารบางตัวนะที่มันจะช่วยลดความปวดได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันจใช้โอกาสนี่นะใช้ความเกิดความปวดเนี่ยนะมันเป็นตัวกระตุ้นตัวบังคับจิตนะให้ขวนขวายหาสติหาสมาธิมาเป็นเครื่องรักษาใจ มันมีเครื่องช่วยลดความทุกข์ทรมานให้มันเบาบางลงจนเหลือแต่ความจนเหลือแต่ทุกขเวทนานะัแต่ไม่มีทุกขทรมาร์ททุกเวทนาเป็นเรื่องของกายนะและทุกทรมารเป็นเรื่องของใจมีทุกเวทนาได้แต่ว่าใจไม่ทุกขทรมาน์ทเตือนอยู่เตือนอยู่เสมอนะว่าอย่าซ้าเติบตัวเองตอนที่หลวงพ่อคำเจณฑ์ทั้งป่วยครั้งแรกนะเป็นมะเร็งนเะมื่อปีสี่เก้าแล้วก็มีก้อนเนื้อมันไปราม คิดปากเนี่ยปวดมากหมอก็ต้องการตรวจหมอก็ใช้วิธีกดไปที่ท้องกดไปสักพักก็ถามเพราะว่าปวดไหมลุงพ่อบอกว่าปวดวันปร์เซนปวดเกินร้อยหมอเพียงบางก็ถามว่าปวดแล้วทำไมไม้ร้องลุงก็ตอบว่าจะร้องทําไมให้ขาดทุนหมายควาว่าไอ้ปวดเนี่ยมันก็พอแรงอยู่แล้วแหละไอ้ยิยงร้องจะเป็นการซ้ําเติมตัวเอง ท่นบอกว่าความปวดเนี่ยนะมันไม่ทําอะไรเราหรอกนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะแต่ความความสึกเป็นผู้ปวดเนี่ยนะท่านชื่นแย่ต่างๆกันนะความปวดทีม่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความสึกเป็นผู้ปวดเนี่ยมันมันทำร้ายเรามากกว่าท่านบอกว่าเนี่ยให้เห็นความปวดนะความปวดมันมีให้เราเห็นนะดีย๋ยวก็ไปเป็นผู้เป็นไม่ใช่สติดูเวทานาได้ <c oughs> <c oughs> ใช้สติดเวทนาไม่ใช่แค่ดูจิตอย่างเดียว <c oughs> แต่ว่าคนที่สติยังไม่แข็งแรงเนี่ยเอาไปดูเอาสติไปดูเวทนาก็อาจจะพาดท่าเสียทีนะเพราะว่าเวทนาต้องมีแรงดึงดูดนะแต่พอความเจ็ดความปวดจะดูจิตเข้าไปจมอยู่ในทะลำลึกอยู่ในความปวแต่เป็นผู้ปวดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่าถ้าเรา อยากจะลองจเจริญสติดูอยากจะฝึกสติดู mm. ก็เออเอาสตินมาดูความปวดมาดูเวทนาดูแบบช้ำเลืองนะดูแบบช้ำเลืองมันก็จะเห็นความปวดโดยไม่ถึงผู้ปวดกลายปวดไปนะแต่ว่าใจแต่ไม่ทุกข์แล้วเพราะามันไม่มีผู้ปวดมันไม่มีความสึกผู้ปวดเกิดขึ้นใช้โอกาสนี้ฝึกอย่าจะอย่าอย่าเลี่ยงอย่าถอยนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีนะที่จะฝุกใจของเรา จะได้มีต้นทุนจะได้มีวิชาในการรับมือกับทุกนเวทนาตัวใหญ่ๆนะที่เราจะต้องเจอขึ้นในไรข้างหน้าใครจะไปรูนะ้วันหน้าเราจะป่วยจยโรคร้าซึ่งมันมีเวทน า, ากล้าแข็งกว่าที่เป็นอยู่ฉะงนั้นถ้าเรามีวิชารับมือกับความเจ็บความปวดนะเอาไว้บ้างนะไม่ใช่เอาแต่นี้มันตะลึกตะคือ แต่มีวิชาที่จะรับาษาใจให้สามารถจะอยู่กับมันได้ฉันี้ที่เราต่างคนต่างอยู่กายปวดไปนะใจไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่าต่างคนต่างอยู่หรือบางคนก็เรียกว่าแยกกายกับแยกใจกายปวดไปนะแต่ว่าใจเป็นปกตินะให้มันเป็นอย่างนั้นพยทําัทนให้ได้นะต่างคนต่างอยู่ไปปวดก็ปวดไปนะใจก็เป็นปกตินอกจากการยอมรับนะ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนอกจากการใช้สติหรือใช้สมาธิเพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วบางทีเราก็ต้องมันนะมันสร้างอารมณ์ผุศสอารมณ์ฝ่ายบวให้เกิดขึ้นในใจนอกจากการยิ้อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะการรู้จักปลอบใจตัวเองนะคาถานะในการปลุกใจให้ให ยอมรับนะแล้วก็มีใจที่พืดสู้ขึ้นมานะเวลาเจอความยากลำบากระหว่างเดินเนะี่ยซ้ายทนได้ขวาสบายมากซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือขวาทนได้ซ้ายสบายมากก็ได้เพราะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ไม่ปลุกใจกันที่บางทีใจมันห่อเหี่ยวนะาจมันทอนะใจมันทอเนะแล้วมันก็มุดหินแนละแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา ปลุกใจขงเราด้วยการอมีคาถาเกินใจคำว่าช่างมันไม่เป็นไรก็นันก็ช่วยได้ช่างมันช่างมันเจ็บก็ดีนะเจ็บก็บอกเออก็ดีเหมือนกันปวดก็ดีเหมือนกันอย่าอย่าปล่อยให้ใจเราว่างเพอใจเราว่างเด็กมันบอกโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนั่นแหละหรือบางที ก, ก็ซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บเนะีย พอเรามีคาถาเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้ความคิดลบๆเนี่ยมันเข้ามาคล่องใจหรือมาซ้ำเติมย่ำเหียห่จิตใจได้ยากขึ้นการรู้จักมองนะแล้วก็รู้จักชื่นชมเนี่ยสิ่งดีๆนะที่เราเห็นตามลายทางนี้ก็มีประโยชน์ด้วยกันนะความรู้สึก ข, ขอบคุณขอบคุณทุกอย่างที่เราเจอในระหว่างเดินธรรมยาตรา ขอบคุณลมนะที่มากระทบกายขอบคุณต้นไม้ที่ให้ลมเงากับเราขอบคุณเมฆนะ <c oughs> ที่บังแดดให้เรานนะลองเปิดใจเนี่ยชื่นชมสิ่งที่อยู่รอบตัวสำนึกในบุญปุณณของสรรพสินดูบ้างให้ความสึกชื่นชมเนี่ยความสึกขอบคุณเนี่ยมันก็จะช่วยความสึกช่วยบรรเทาความสึกลบที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจได้ ถ้าไม่รู้สึกขอบคุณนะชื่นชมสิ่งที่รอบข้างเนี่ยเดี๋ยวไอความรู้สึกลบเนี่ยมันก็จะเผลอโผล่เข้ามากลายเป็นการบนนานาร่นกลดากกลดาอดวงอทิตบ้างแดดบ้างและนะ้ะทางบ้าง ล, ะนะลองชื่นชมนะสิ่งที่ให้ความสึกดีๆกับเรานะ <c oughs> และต่อไปเนี่ยพอเราทําไปทําไปเนี่ยนะก็ลองชื่นชมหรือขอบคุณ ดวงอาทิตย์นะขอบคุณแดดนะขอบคุณความปวดความเมื่อยบ้างนะขอบคุณเขาที่เข้ามาฝึกเราเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่เข้มแข็งจิตใจเราก็จะไม่พัฒนาเขามานะเพื่อที่จะมาฝึกเราเขามาเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งแดดนะแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าแม้กระทั่ง ดวงอาทิตย์นะหรือว่าความหิวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้สึกขอบคุณขอบคุณชาวบ้านที่เอาน้ำมาให้ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่มีน้ำใจใบตุ้รีเริ่มต้นจากการการขอบคุณสิ่งที่ทำดีหรือให้ความสุขดีๆกับเราแล้วก็ขยายไปสู่การขอบคุณในสิ่งที่อ่ ทำให้เรารู้สึกลําบากรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ลองทําดูนะมันจะได้ความสุขดีๆ เ, เ, เกิดขึ้นและพอความสุขดีๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความปวดความเหนื่อยความเมื่อยความล้ากันเราลงนอกจากสร้างความสุขดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ลองหา ม, มุมดีๆที่เห็นในระหว่างทางด้วยอย่างที่บอกไว้ไว้แล้วเมื่อวานนะต่อเส้นทางมันมีมุมสวยๆงดงามนะที่ เราสามารถจะชื่นชมได้อย่า ก, ก้มนะแต่คืนมองแต่คืนนะเห็นทางที่มันแตกระแหงหรือทางที่มันดำทางขรุขระทางที่มันกระด้างดีใจแล้วก็พล่อยห่อเหยียบพลอยกระด้างไปด้วยลองเงยหน้าขึ้นมองฟ้าดูบ้างนะเห็นท้องฟ้าสีครามเหม็นเม่ที่ลอยเบาเบามัช่วยทําให้ใจเราเนี่ยพลอยเบานะพลอยเย็นไปด้วย มันสังเกตนะดอกไม้ที่อยู่ริมทางบางที่ดอกยาดนี่ดอกเล็กๆเกนี่นะเขาก็ชูนะอต้นยาเล็กๆนี่นก็ชูดอกให้เราได้ชื่นชมเมื่อว่านนี้เนี่ยตอนที่เราเดินผ่านะผ่านสยามเมือก็มีตรงายา่นะดอกก็เล็กๆนะสีเหลืองบ้างสีม่วงบ้างอาลองสังเกตดูนะลองชื่นชมดูใจเราก็จะปลอยสบาย แม้ในยามที่แดดแรงๆรงมันก็จะมีมุมมันจะมีของดีๆที่จะปลุกใจเราให้ชื่นบานได้อยู่ตลอดทางมีปีหนึ่งนะเดินตอนนั้นทางเนี่ยแถวรากผักหนามเนี่ยมันก็เป็นทางรูกลังแดด ก, ก็ร้อนบ่ายสองบ่ายสามเลยทุกอย่างนี่ดูมันแดงไปหมดเลยนะ แล้ทุกอย่างมันเหลืองแห้งเลยหมดเลยใบดอกไม้อใบไม้ใบหญ้าก็เหลืองแห้งคนเดินก็เหนื่อยรู้สึกล้าเมื่อแหลมจะถึงสักทีก็เดินมาเป็นชั่วโมงนะแต่มีจัวเนื้นเดินผ่านกลุ่มต้นประทัดจนีนดอกประทัดจีนนี่ชูดอกสีแดงสวยอันหน้าก็าหาดวงอาทิตยเหแล้วนี่มันรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเลยนะ เพราะขนาดดอกยญ้าน้อยๆไม่กลัวแดดไม่กลัวดวงอาทิตย์เลยหันหน้าเขรับดวงอาทิตย์เต็มที่เขายังสามารถที่จะสดใสได้แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มันร้อนในช่วงเวลาที่มันแล้งอย่างมากพอเราเห็นแล้วผู้สึก ด, ดอกมันก็บานขึ้นในใจได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่สังเกตนะหรือว่าเอาแต่โผล่โวยวายโวยคร ว, วนะมันไม่เห็นนะอย่างที่พัวแล้วเมื่อวานเนี่ยใจเราเนี่ยมนเหมือนกับแก้วน้ํา ถ้าน้ำเนี่มันมีน้ําขุ่นหมดเต็มอย่างอืน้ <c oughs> นําใสๆเติมไปอางนี้มันก็ล้มออกมันไม่สามารถเข้าไปได้ต้องทำจใจเรไว้ว่างแล้วเราจะพบได้เห็นได้เห็นสิ่ดีๆเกี่ยวกับความสุขมีอยรอบข้างอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะลองเราลองได้สุดตูนนะเมืม่ว่าจะเป็การยอมรับการยิ้มรับสิ่งที่เกิดขึ้นมีสตินะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่มาเป็นอกุศลหรือวการจักใช้พาตดให้มันจดจอ่อเป็นสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่ทำให้ความปวดนี่ไม่มารบกวนจิตใจให้มันรบกวน <c oughs> แต่ร่างกายก็พอแล้วรวมทั้งการจักขึ้นชมขอบคุณสิ่งต่างๆที่มีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นอิทาลมหรืออ น, นิทาลมอิทารลมก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีเกิดขึ้นอนิธาลมก็คือสิ่งทํทใ า, ท า, าททให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกขัดเคืองใจตรงทังการวิจารหามุลบวกหนะ้าที่พบเห็นระหว่างทางทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การเดินธรรมญาตาิเป็นการเดินที่แม้มันจะทุกข์กายนะแต่ว่าใจเป็นปกติร้อนแต่กายใจสงบเย็น หรือว่าเกิดแต่กายนะใจเบิกบานพุทธจตรว่าเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะภาสิคนี้ไม่ใช่เป็นภาสิทที่มันเกินความสามารถของเรานะมันอยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้แล้ถ้าเราถ้าเราไม่เจอความทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่รู้จักความจริงแล้วความสุขมันก็สามารถจะ ปัญหาพุบได้นะท่ามกลางความทุกข์การเดินนะธรรมะญาติใจเนสิ่งสำคัญอย่าที่บอกไปแล้วคือรักษาใจของให้ดีเดินไปข้างหน้านะแต่ว่าให้อย่าลืมทันประตูใจของเราและถ้าเราเดินอย่างเนี้ยเราก็จะเดินเป็นการเดินก็จะทําให้เราเหนื่อยล้า น, น้อยลงแล้วก็อาจจกลายเป็นว่าเราสามารถจะ พบกับความสุขนะในระหว่างการเดินในระหว่างความยากลําบากได้เพื่อพระธรรมานะคนหนึงเป็นพระเซนนะเป็นชาวอเมริกันนะจะประบุตรในนิกายเซนจะเล่าถึงอาจารย์ของของท่านนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะเป็นชาวญี่ปุน่นชื่อชุนเรียวสุสุกิจนะนะชื่อนี้มีนะคนอเมริกันเนี่ยที่สนใจาศาสนา พุทนิกายเซนเนี่ยจะรู้จักดีพราะเป็นผู้ที่มาสร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกหนังสือของท่านนี่ชื่อว่าเซนไม่ดิกรีเนอร์เซนไ้นี่ถือว่าเป็นคําธิบายพื้พนศิษแล้วของคนที่สนใจเรื่งรองการสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมหรือไม่แต่การเจริญสติหนังสือเล่มนี้ก็น่าอา่านเพื่อจะมาเล่าว่าตอนที่มาสร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเนี่ย ตอนนั้นประมาณสักห้าสิบปีหกสิบปีแล้วประมาณทศวรรษันกะระหักหกศระนั้นอาจารย์ชุนเรียวนี่ก็อายุมากแล้วนะหกสิบกว่าแนละ้ว้ะการสร้างวัดเซนเนี่ยนะมันก็ต้องสร้าง ด, ด้วยด้วยกำลังตัวเองอยือไปจ้างไม่ไดนะ้เพราะว่าเงินทองก็ไม่ค่อยมีแต่โชคดีที่มีลูกศิษย์ชาวอเมริ ก, กันหลายคนนักศึเหา่านี้เป็นผู้ที่แสวงหา แล้วก็มาสนใจเรื่องของจิตปิญญาก็มาสนใจอ่คําสอนของอาจารย์ชวนวิวก็มาช่วยสร้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนอายุประมาณสักสิบเก้ายี่สิบก็มาช่วยขนหินขนไม้นะวัดเซนเนี่ยก็ต้องใช้ไม้ต้องใช้หินลูกศิษย์ทำไม่ได้สักครึ่งวันก็เหนือ่อยสวยอาจารย์ชนวนเรียนเนี่ยก็ยังทาทั้งวันเลยลูกศิษย์ก็แปลกใจนะอาจารย์ ตัวเล็กกว่าลูกศิษย์อาจารย์อายุมากกว่าลูกศิษย์นะแต่ทําไมทําได้นานทําได้อีด ก, กว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยถามาอาจารย์ทําได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์ก็งงเนี่ยพักตลอดเวลาลูกศิษย์ก็เห็นอาจารย์ทำงานทั้งวันเนี่ยก็จริงอาจารย์ทํางานทั้งวันนะแต่ว่าเป็นการใช้กายทํางานใช้กายขนหินนะแต่ว่าใจเลื่อพัก ใจไม่ได้แบกหินใจไม่ได้แบกความทุกข์ใจไม่ได้แ บ, บคกแบบความคาดหวังอะไรลูกศิษย์ ท, ทาไปกอคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จ น, นี่กลายเป็นว่ากายแบกหินใจก็แบกทุกข์ไปด้วยให้เราเราเดินเนี่ยนะเท้ามันเดินนะกายมันปวดก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ว่าใจจะไปแบกเอาความปวดความทุกข์ของกายไปด้วยตอมที่เดินไปข้างหน้านะก็ให้ใจและมีสติมีสมาธิติม เ, เพื่อรักษา ไม่ให้ความทุกข์มันมาครอบงำหรือว่าบีดคั้นจิตใจจิตใจก็เป็นป ก, กติกายมันจะปวดมันจะเหนือ่อยมันจะเมื่อยมันจะล้าก็เป็นเรื่องของวันทำได้นะแล้วก็น่าจะลองทำเช้านี้ก็พูดกันทอนนีนะครับขอบคุณ